เค่งจากตัวนี้เสียใช่ไหมจะมีมันจะมีหัวหน้าลิงตัวหนึ่งแม่งซ่อมแล้วลิงสูงหนึ่งได้ว้อมดูถูกปะแล้วพอเครื่องต่อไปเสียหัวหน้าลิงตัวเดิมแม่งซ่อมฝูงลิงอีกฝูงหนึ่งดูแง่บรรยากาศ อ, าายอย่างเงี้ยแม่งโคตรเงาเลยทอย่างไม่ไม่ใช่แม่งผิดแล้วสุดท้ายไอ้ตัวนี้แม่งซ่อมมาตจำนะที่เหลือก็ลิงฝูงหนึ่งดูต่อไปมึงจ้างแม่งมาดูมึงเจงแล้วไอ้ยมึงก็เจงแล้ว ไม่ได้เจอผมเรื่อนาช่ามาคุยแล้ว hey, มึงมีปัญหาแล้วมึงเรามีปัญหาแล้ววิธี Learning วิธี t e ชช h i n g ของมึงมีปัญหามึงไม่สามารถเปลี่ยนแ Knowledge ไปเป็นเอ็กซ์ต k n o w l น d g e ได้คล้วความรู้แสงไม่เป็นความรู้ทีกระจายม่มึงแสงกับตัวมึงมึงให้มึงื่นไม่ได้วิธีทิดถูงมึงไม่ไดมาคุยแล้วคุยส่วนตัวเลยพี่คิดอะไรทำไมสันดานพี่เป็นอย่างนั้นทำไมพี่ไม่สอนคนนะใช่ไหมช่ครับท่า น, นเจ้านายสมัยใหม่เนี่ยนะ มันต้องเรียนจิวิยาภาพมันข้นไมเรื่อยจิวิยาองคอ์กรเรื่องไซโครจีต้องเรียนเ้อะมากแต่ข้อสีของโรงงานสมัยใหม่คือจบวิศวะแล้วไม่มั่นใจว่าวิศวะอย่าง ก, กูเก่งทุกเรื่องไอออนเรื่องจิงวิยาผมยังไม่เคยเรียนเลยตายต้องใช้เยอะมากมต้องไปเรียนเถอะต้องเรียนคุณอยากจะเป็นใหญ่กะะ็รักใช่ไหต้องรู้ในหลายด้านมีแม่บริษัทเรามีไหมไอ้พวกจบ จากทางด้าน แ, แคลเรียคลินิกมาอย่างนี้มีป่ะมองโจดขาดหมดแล้วแล้วเขเรียกมาคุย ท, ที่มือง่องมันมีอย่างนี้เยอะมากนะครับไม่มีโฟกัสด้วยแคเรียตรงนี้เยอะมากเลยเข้าไปอุม้มฟูกบนหน้าเลยยื่นพอร์ตฟลิโอให้เขาเยิเข้าม า, าแผนตรงนี้ให้แล้ว่อย่างเป็นความรับแม่งในอินเทอร์เน็ตหมดเลยสวนาหนูนี่นะทำในยิ่งเกล้ยิ่งเกล้เนี่ยอาจารย์เป็นเป็นคาสเซิลลิ่งหนูใช่ไหมผมจะไม่ได่าคุณต่อหน้าฐ า, ะานะกำนันนะผมก็จะบอกคุณในอินเทอร์เน็ต น้องรักเมานี้ไม่ได้ยิ่งแง่พูดไปเลยเข้าใจไหมฝรังหักข้ามใจสักบ้างไหนมันจะเตือนมาเรื่อยๆเขาใหญ่ยังเขาจะค่อยๆเตืนอนอย่างนี้อย่างนี้ตลอดอย่างผู้บริหารใหญ่ๆบางคนเนี่ยเขาจ้างผมไปทำอะไรด้วยครับเข้าไปชุมร่วงด้วย <S <S ผมมีหน้าที่อะไรนั่งฟังรู้พวกมึงตอบสนองเจ้าหน้านั่นเองรูวิธีคิดของพวกมึงเดี๋ยวครูก็เซฟเจ้านายนาย สนเสื้อฟ้าด้านหลังคนนี้แม่งวิธีคิดแม่งแบบนี้นะอันตรายเขาใช้่าอาชีพผมข้างมองผู้ห่วงวิธีคิดใช่ไหมฮะคนคนนี้ต้องปรับไอทิจูดคนคนนี้นะควรใช้ไปก่อนฝีมือแม่งดีตัวใหม่ยังแทนไม่ได้สันดาลอย่างเงี้ยระยะยาวอันตรายเตรียมโยกแล้วกดเขาใช้ง้มองขาดแล้วอุปกรไม่จะไปได้ไม่ต้องอย่าง ดูคนไหนปากเสียปากมากา็ต้องทำไมครับเอาออกไปเถอะแม่เมกแค้มโลก น, นะโคตรโจรเปลี่ยนไปแล้วนะโจรมันจะเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้เรามามีอะไรกันเมื่อก่อนนี้เรามาทำาไรนี่คิซีซีใช่ป่ะหมดแล้วแต่คิซีเราก็มาเล่นอะไรกันครับถ้าสอนาสอแต่ว่าเราเข้ามาทําีพีชาติหน้าบายบายเสร็จ ใช่ป่ะทำไม่ไหวเลยเลยทำ SM1 SM 2สริไอออนถูกป่ะไม่คาร์บอเนไปต่อมาเราพยายามทำ TQM นะครับ ISO บา้างนะครับเข้ามาใช่ไหมฉบับยี่เงี้ยคือฉบับ1987ใช่ไหมควายเท่านั้นต้องทำเอกสารถูกป่ะแล้วก็มาปี94แล้วก็มาปี ISO ปี2000เปลี่ยนเป็นแบบ KPI ใช่ป่ะทำตามให้เขียนเขียนกรรมให้ทำ มีควายตัวหนึ่งมาเดินตรวจแล้วบอกว่าโตกแจกคธอไอเวนสุดท้ายก็แหกตาหลอกกัะทั้งองค์กรถูอว่าได้ไปนับรองมาเป็นีมีาอะไรดีขึ้นเลยใช่ปะูเป็นคนสอนเองงั้นลูกเนี่ยคูวัวได้เงินพวกโงเองเปลี่ยนใหม่นะนุ้ยไอ้โชว์ปีใหม่ออกใหม่นะนุวยไปประชุมเข้ามาห้ยังปีสองคูนศูนย์เจ็ดโจย์ใหม่แล้ว แเปลี่ยนเป็น Balance Scorecard ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น d s c แล้วในนั้นก็มาเล่นเรื่องเล a r n นิ่งที่สอนเนี่ยเล่นเพียบเลยเล่นไซโคโลจีเล่นฟ i น a n นซ์แล้วก็ไม่มีการแจกค่าอีกแล้วโนโมคาคาแม่เป็นน e g a t ีฟทิ้งทิ้งตรจเปลี่ยนเป็นอะไรครับคราวหนะ้าเป็นคะแนแนครับ เโจทย์ก็เปลี่ยนไปแน่วิธีคิดไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนยกโดยเบกาสมัาคะแนนนวโดยี่ะแนือ่กักไม่มไมไ ม, ไมในโซเก้าันฉบับใหม่แม่งเจ๋งมันใช้คะแนนแบบกินกลุ่มกำลัง ม, มากกันอยู่ ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายขายของที่นี่นะจะได้5แต้่ต้องทำกังต่อไปนี้ได้1 2 3 4 5ได้4แต้่ต้องทํำกังต่อไปนี้ได้1 2 3 4 5ได้3ทำหนึ่งนี้ได้2ทํำนี้ได้1ทําอย่างนี้ฝ่ายบุคคลใช่ไหมของที่นี่จะได้5แต้่ต้องทำอะไรครับแม่นเป็น learning อ๋อสามารถผลิ knowledge ได้เก็บ expertise ได้เก็บ talent ได้ expertise ได้มีขั้นตอน level ชัดเจนมีเว็บบอร์ดมีติดต่อไปนี้ปังปังปังปังปัมีเตนออกมาแม่งชาร์จอะไรไมได้มนก็ได้แตป โคปังเลยจะมาแล้วไอโซตัใหม่กำลังจะมาแล้วไอโกลังจะมาแล้วมูกาที่องเขาไป้านสองปีแล้วัจจุบันเนี่ยก็เลิกไปแค่ไอติียคอหทานีร่ผมไม่รู้นีผ้อแล้ว่ะเสร็จแล้วผมพร้อมเลยอย ตัวตัวผมเองพร้อมแล้วเพราะว่าสิ่งที่ทาตัวนี้คือซีของตรวจกระทรวงอยู่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่กั น, านการเตรียมพร้อมมีเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนีน้แต่ทุกครั้งที่มันเปลี่ยนนะผมก็เตรียมบ้านเตรียมรถได้ได้ซื้อใหม่ไม่ดอารยเปลี่ยนงงงนะแต่เค้าเจอโดยรวมขงระทอ่ากออรู้ได้ไงกระทรวงมนเปลี่ยนกระทรวงนงจะทั้นวิธีคิดในเปลี่ยนันเปล่หมดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนฟรีสตแหน่งดเลย จากนี้ไปใช้ออทซอร์สก็ค่อยเปลี่ยนฮะ่ักษินไม่ไล่ตรวจตามบีเอสซีนี้ตลอดนะคนรับใช้ในกระทรวงสมัยนี้ทำยากมากมากคนรับใช้ทำไม่ได้นะนอาจารย์ขอโทษทีนะปิดยังไงบ้าปิดไปเลยนะเริ่มงดีขอโทษทีกปิดแม่งขัค้นรู้ใหม่เมียกูตายก็ไม่เป็นไร บูชิคออคอมมิวนิสต์บัลัสสกอร์การ์คือการให้คะแนนนะฮะสกรอร์การ์คือการให้คะแนนะบาลานซ์สกอร์กราร์คในโซนฉบัออไปเป็นแบบบาลานซ์สกอร์กราร์คสมมุติว่าทางนี้บอกว่าระบบบุคคลองไม่เอาฝ่ายนะโปรเซสของการพัฒนาบุคคลเนี่ยจะได้ห้าแต้ม น, นะ ต้องทําอะไรได้บ้างถึงที่เรียกว่าห้าแต้มซึ <efendim> <fuck> <rec gamma enders> ่งก็จะไปคอนเทนทั้งหมดใช่ไหมในการตรวจทั้งหมดการเบนช์มาร์กมันจะมากขึ้นเรื่อยๆต้องสามารถทํานู้นทำนี้ได้แม้เวลาผมจะไม่แน่ใจแต่ว่านักตลโง่ควนั้นใบรับองควรจะออกมาเป็นยังไงใบรับรองอาจออกมาในว่าบริษัทแห่งนี้ได้ให้โฉนกพันชั่ปีสองพันเจ็ดรู้นะฝ่ายบุคคลได้สี่ฝ่ายขายได้สามฝ่ายแมนเทนเนนต์ได้สี่อะไรเงี้ยมันจะชัดเจนกว่าเดิม ถ้าที่สี่ก็คุณรู้เลยมีขีดความสมาร็จอำนี้นี้นีได้แล้วสามคำนี้นี้ยังไม่มีนีห้ามีนีนีได้แล้วถ้า5้าได้เป็น e ี a r n i n g แล้วถ้าห้านี่มี e earning ให้ e earning ก็ได้จะไมต้องต้องอย่างงี้ยชื่อจุลศูนย์จะเดิมไพรผมว่าปูนน่าจะได้เปรียบเพราะคุณได้ได้ห้าหมดหรือไม่ก็สี่หมดก็ยังดีใช่ไหริษัท sme ตหายหมดแเนี้ยโอเคอะ ปลาใหญ่กินปลาเล็กทักษิ์กินทุกปลาปลาพีก้าไงใช่ไหมอครับผมแล้วมก่าขา้มอาง้าเอ้รยากปรื่องขอาไม่ฟังกู้อละมันเป็นมันเป็นึงคอมมูชิเอลตึงมันู้ปอยูยชน์ผู้ไม่หาจะใช้ประโยชน์จากมันหรือเปล่าไงไอ้โชก็ทนธ์ทำให้ดีก็ได้ทำให้ชั่วก็ได้ บริษัททำให้โซลโอกาพันอย่างดีๆเลยเช่น internal audit เนี่ยไม่ใช้คนกันเอง audit ใช้ expert audit ให้ทุกกเดือนให้มืออาชีพตรวจให้ซึ่งในผลออกมาแสบกว่าค่แาแต่และตัวก็เป็นค่าเชิงสองมที่ผลด้วยคุณจะแจกค่าจะต้องบอกทางแก้ด้วยเมื่อคุณใช้ค o n s u l t a n t ไม่ใช่ไอเด็กนุงโม่คนหนึ่งมาบอกเออลิมเซ็นชื่อ k p ตัวนี้ยังไม่แก่ค่าค้างมากมายโออสโจ๊ก ไอ้แน่ๆมึงทำของมึงกันเองเขาว่า internal วันนีแต่ปวดใหม่เขาก็ไม่ได้บังคับเขาจะต้องเป็นคนในองค์กรใช่ไมครับมันเป็น internal แบบเอา s ซ d e r ร์ก็พวกคุณบันวันึงทำงานยุ่งใจหามึงจะจำข้อของกดได้ไงวะใช่ไหมแล้วพวกมึงก็ไปตรวจกันโงโ่จะเซอร์แล้วมึงก็แหนกข้าวเต็กทุกวันทุกวันมึงเจอหน้ากันมึงก็อ้าวไกลายปนไหโซก้พันสลับ๊ก ทำกันเองตัวกันเองไอ้คนที่เป็นไอโอเดเตอร์เองแม่ก็มาสาดแดดเนี่ยเบือชีพหายงานประจํายังไม่รู้เขาไปตรวจนายงงงงมาดา่าด่าพวกมึงองีกงานประจําไม่เสร็จก็เสือไปตรวจเขาใอ้ข้าไอ้นายให้แม่ไม่เข้าใจชีวิตว่าการตรวจพวกนี้แม่จําเป็นใช่ไหมที่คอื่นมาตรวจมึงไม่เป็นไรแต่คนของมึงอย่าไปตรวจชาวบ้านงเจอไอ้นายพวกบ้าแบบนี้ไอ้นายพวกนี้แม่ต้องถีบอกไว้หมดเพื่อยังวิธีชิพแม่ยังไม่เป็มเพราะเปลี่ยนแปลงทั้งใหม่หมดตรวจจะเปลี่ยนนะเรือลองดู แล้วคอยดูดิเนี่ยพอปีสอง0ูนย์หนึ่งศูนย์กว่ากันะหนึ่งสองไม่เปลี่ยนเนี่ยมาดูครับว่ามัม น, านเปลี่ยนคอนเซ้าว่าอย่างไรครับ Thank you ยังไงใช่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนว่ะตัวแมกก็เปลี่ยนแต่สุดท้าย สุดท้ายวิชาที่จะต้องมาแรงที่สุดเลยก็คือผมจะกลับมาคือสุดท้าย system แม่งเริ่มไอตู้ไอโซเก้าพันในพวกนี้สาหรับผมมันคือสินอรือกติกาลำหนักของศาสนาพุทธจะต้องเลยครับทานสินได้ครับภาวนาสุดท้ายแม่งเข้าไปสู่ระดับปัญญาพวกนี้ยังไม่เป็นปัญญาเท่าไหร่แม่งเป็นประเภททําให้ได้ทําให้ได้สุดท้ายศาสในโลกอนาคตจะจบลงที่เรื่องของ human แน่นอน ตอนนี้ตอนนี้คนเรียน HRD ไม่ต้องกลัวตกงานเำแหน่งเงินเดือนแม่งแรงเก่งอันดับหนึ่งแล้วคุณมาแล้ว HRD เก่งครับหาคนจากหาคนยากคุยๆหาง่ายใช่คไหมหาดีๆห า, ายาก HRD เป็นอาชีพใหม่รู้สึกผมจบวิศวะได้หลายคนผมบอกผู้แม่งคุณเชื่อกูต่อโทรต่อเองกยูแม่งรีซอสต้องรองลูกไม่แน่ คุณอยู่วิสวะ 2.1 ในระเบียบต่อแล้วปลอก 4.0 ล็อกเกอร์ HR แน่ๆเลยต cool ัวมึงแม่งโง่เองถึงมึงเรียนเรื่องยากไม่เจอกูแม่งก็ไม่เชื่อไอ้ยากบอกแม่เรียนไฟแน่แม่งก็ไม่ไปสุดท้ายแม่งเลือกต่อโทรวิศวะไอออนเรียนช่างคนรวยกับมึงเลยอะไรเงสุดท้ายมีไม่พ้นเรื่องอะไรครับประชากรโลกกาลังมากขึ้น สติสเครียดก็จะมากขึ้นการบริหารจัด ก, การสมัยใหม่แม่ง Change Mode. เช้งตรวจสติสเพิ่มเอาซอร์สก็ต้องเพิ่มถูกไหมครับคนร้อยพ่อพันแม่ขึ้นเด็กสมัยใหม่เกิดจากมือถือรีโมดคอนโทรลเพราะฉะนั้น Change with อ a โมชั่นัลเชงมีโหม e อารมณ์เปลี่ยนตามมีโหม e แม่งโงโงเโงี้ยลูกไม่เป็นเต็มประเทศ คุณจะให้เด็กให้ออกมาคุณมาลงไม่ได้เยอะมากคุณเสียไกระตุ้นลูกคุณนี่แต่ตอ น, นเล็กๆทันปาน่ะให้แม่เอาไปเจ้นละบากันจรงๆป้องป้องใส่ทาลิสติกต น, น, นุ่งแมงฉช่ป่ะ้องเอาไชโลมาฟ้าไอแมน่งแมงมีสูดที่แม่ขึ้นพวกเด็กตัวนี้เดียวแต่แม่เป็นวัยรุ่นมึงให้มันคึ้นเลยไรจบมึงไม่ยา E ยา K ยา i ใครท่สอนลูกทำแบบนั้นถูกว่าไอออน แม่ไม่รู้จักพุทาวิธีในการเลี้ยงลูกโว้หายตายชักเลูกเสร็จลูกมือแม่งเสร็จมึงเสือไปกระตุน้นลูกมนเนี่ยตัวนีดเดียวแล้วพอคุณมีอะไรกระตุน้นพราว่าครูไม่ไม่เป็นไงแต่ลรงเรียนในกรุงเทพไม่เปลี่ยนหรอกแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยโรเีวิธีพูดแบบดีๆนะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยใช้คำพูดฮะโจแม่งเปลี่ยนผู้พิทากษ์สอนเรื่องไงฮะเรื่องสติตรเนีเ้มีสต่อนะสติ ใช้สติในการบริหารคุณมีสติตัวเดียวแม่เด็กคุณแม่ชนะทั้งโลกชนะใจตัวเองได้ชนะหมดไหมครับทไมแล้วทำไมคุณไม่สอนลูกคุณนี่หัดชนะใจตัวเองแึงแรกคุณพลาดเรื่องพ่อมาเนหัวข้างแรกแล้วชนะเขาคงไม่ควจะพลาดอีกใ <laughs> ช่ป่ะนี่คือวิธีคิดอจะเปลีป่ยนใหม่นะน่นโล้นะคดคุณไม่เก่งเนระื่องวกนี้ก็ไม่เป็นไรคุณไป เ, นะนะเก่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายเก่งเรืเ่องมีวุ่นรวย เข้าใจไหมฟิลเดวิลลงในทุกตัวรฟิเด ว, วิล่าลงในทุกตำแหน่งนะครับลิโคนไอออนชัดๆกันเลยเก่งเรื่องอะไรเปอย่างไรกงมืดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเอวผมตอนนี้นะผมเริ่มจับตัวนี้แล้วผมสอน เ, นเรื่องขนสนามพลุกเรื่อยๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวเดีย๋ยวกูเขียนเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่นะโกลินเตอร์เคยดูฮ่าาใครเงินฟันินดอลลาร์นะ ฝรั่งเ น, นี่ยเมื่อเจอเทคโนโลยีมากๆสุดท้ายแม่ครับหนีไม่นเรื่องใจนึกว่อแม่อยากจะพักพิงทางใจมันก็ต้องบินมาไทยแลนด์ถูกไหมครับแล้วมันก็มาเจอเร็มโม่อู่พวกมึงก็ต้องมาบนนาวชเประไอ้โอู๊่าฮ่าฮ่าฮไปไหนซักแค่ น, นั้นแค่เล่าให้ฟังก็คือว่าศาสตรต่างๆในโลกเนี้ขยขจะสอนอคุณว่าอย่าหลงเรื่องเลงอาการเป็นวิศวกรหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์จนเกินไป อายุถ้าเริ่ม40แล้วเนี่ยเฮ้ยเรียนเรื่รองคนเนี้แล้วเว้ยนอกจากจะได้ประโยชน์ตัวคุณเองแล้วลูกคุณได้ไหมลูกคุณได้มีคุณได้คุณช้วยมันทำใหมดูอ่ะอเขียนแรกหรือโดนสะิแล้ว เวมันเหมือนเล่นเกมอันเนี้ยจำเกมนี้ไขหัว เ, เลยนะเว้ยมาคิดไปเลยเอาอันนี้จิ้มอันนี้เตะแล้วนะเตะแล้วนะแต่ก่อนคุณมาเตะเนี่ยเขาจะถามคุณว่าจะเป็นคนหรือเป็นเทวดาต่ อ, อให้เลือก <c oughs> จะเป็นคนหรือ เ, เทวดาชอยเลยวะเทวดานะเทวดานือเท้าลุกทานยากคุณต้องเป็นคน มันก็เสรสุกนี้เลยวรือจะรอจนถึงพระสีอนถ้าเป็นโยดายุทธศาสตร์คุณก็จะเปี่ยนคุณต้อรคอยซีรลบอกบุญชาวบ้านเขาถ้าไม่คอยคุณนยมดีช่วงซึ่งสีทันดอนต่อของพุทธเจ้าโอพรสีโอ้พระห้าไอออนเต็ลงนรกคุณก็ลังวางแผนหยังคุณเลือกคุณช้อยติดปักเดียววิทยศาสตร์คุณเปลี่ยนทันทีประเด็นไม่ได้อยู่ที่ช้อยประเด็นคือคุณเลที่จะไปเจอปัญหาอะไรต่างๆอนี้มนมีปัญหา คุณเลือกที่จะมีปัญหาใช่ไหมครั บ, าาบเด็กที่อาจารย์รับฟังผมเพี้ยบางมัดจะออกจากอะไรนะระบบใช่ไหมหรืออยู่ในระบบเรียนไหนก็มีปัญหาแล้วเนี่ยปราชญ์ที่จะสู้ปัญหาไหนเนี่ยใช่ไหมคุณพร้อมที่จะเล้อกหนปัญหาไหนมากกว่าช้อยอาร์อารของคุณนะเอาลงไป็นมนุแล้วช้อยต่อมาคืออะไรอันนี้สองเลือกเรโรงเรียนการไหนดีให้เลือกสองช้อยสามช้อยเท่าไห้่ครับเีนที่ไหน สาธิตกลุ่มสาธิจุฬาหรือกลุ่มสาิะนนิสกลุ่มเชงรเบียนมาแต่เนโยหรอหนองมาวอรื่างแม่หาได้่ตัวเลยแเยอมนิดเอาให้พี่หนรือะไรุิดนึงคิดนึ้คิดหรือวรนช้อยอินเวสต์เนี่ยคุณเลือกช้ติดตัวเวคุณตายเลยล้มความไันเป็นห้าเอ่องอะไรุอก่อนเลืก้การบ้าน่อ่ ผมสาว่าอย่างผมเป็นสามมาตลอดหลือมเป็นคนาวผมถามผมเนี่ยสุดยอดเลยคือหึงไม่ต้องคิดถามตูครบัวยหนูแนะนำให้ใช่ป่ะทังไงทำไงถ้าเข้าสาิที่หนูต้อมีเงินว่าหรือคือจะมาลงแนวใหม่แนววอร์ดแนววอร์ดก็คือแนวใหม่นะเมื่อกอบนี้มันเป็น m อ n เตอร์ซ i เห็นต้องเรียนอีกจะมีลูกคุไม่มี้ม้ไมมีีแบบ ใช่าหลูกบาลแบบอลไรฮะแบบบยร์บอคือแบบแนวธรรมชาติมีธรรมชาติตุ้ธรรมชาติขี้ธรรมชาติอิสลามเรื่อยๆอีกโอ้แม่มีชอยเยอะแยะเลยยุคสมัยใหม่จะไปทอสีหรือจะไปนะเดรนใช่ไหมหรือจะไปรุ่งวารุณนรือวารุณสีขาเลงเรื่องยังไงไหนลู่ผมไม่ออกมาไม่คนละสไตาเลยเจอปัญหาพนละบบูกผมเนี่ยเพื่งเข้ามาแต่ เพราะอะไรคะผมวางแผนไว้เรียบร้อยเด็ก ม, มาแต่หนึ่งแม่ไม่เจอผู้ชายจนทั้งห ง, หงอถกเห็นว่าคือการันตีแหละแม่ไม่เสียของกลางทางอานหนึ่งแล้วใช่ปะต่อแม่ใกล้บ้านแม่มนมันมีส่งเท้าเย็นใช่ไหมขัดเรื่องนี้ไปก่อนสามโรงเงินมาแตลเขาตั้งเต้ า, าชัดเจนเขานับจำนวน KPI e ทีเปอร์ประมาณ KPI ด้จนวนคุณหญิงเขาจะต้องมากกว่าโรงเรียนราชื่อัน เขาปลุกลูกของเ้าให้เป็นคุณหญิงทำสังคมงเคาะเด็กที่ดเลื่อนเก็บเงินแล้วก็ไปออกสังคมสังเคราห์คนจนไร้ยางเรื่องวุยนวายเป็นคุณหญิงพ่อ strategy ขอก็คือต้องไปสอนให้แม่ทาการบ้านจะไม่จะไม่สอนให้มันถูบ้านกาบ้านล้างจานเด็ดขาดไม่กู้ให้ทแทนไรไม่เป็นแดดร้านแทนอย่างเดียวแล้วทำไมแขนงอยู่ จะได้ไม e ่ะเจอผูชายอ่แล้วมึงก็็นร้านการให้แมงมงะได้ไมเหื่อยซับเ้อผาให้มันเข้าใจยงเหมือนฟูเป็นต้นเนี่ยฟูรวยไมึงด้ทำไม่ได้มานี่มึงทำเลยเนี่ยูเเด็กอารมณ์ดยเ้าไหมใช่ปะมึงอยากได้หัวนั่งเลนมึงก็ต้องขับเลนก่อน มึงขึ้นรนเมล์มึก็ได้ผู้แม่มึงจะหนนเขาอย่างวิธีคิดของมึงปะแล้วกูได้ลูกเขยรวยไปนึคนก็จัดจ้าจบสิ้นเงินทีคามหาเงินของกูหมดสิ้นแล้วไถลูกเขยแดกแล้วคำเนี้ยแล้วินไทยไม่ง่ายใจหานะคนคนหัวจะบ้าหิงไทยอ่ะโอ้มึงน่มึงเก่งนะเขามีลอยู่เงียอย่าลงดีใจไปไม่อยากวิธีคิด ถ้าลูกชายอะลูกชายเข้ามาแต่ไม่ได้น้อยไหนลูกชายอะวม่อยู่เซนเรเบียนิงเหมือนผู้สิทธ <c oughs> ใช่ปะ่ะวั้คิดเนี่ยเราจย้ายเปี่ยนเข้าเตียงุดมใช่ไหมไปได้จเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิต้องวางแผนข้างท้ายไม่ต้องเอ็นทารสุดยอยเห็นทาน์สือไม่เห็นทานไปไหนไปนอกผูกชายต้องใบนอกบมือนพ่อมัน แล้วไปได้ลูกสาวเศรษฐีท like so, ี่เมืองนอกนีคือใครไล่นี่อย <et> <ama ishops> <top> ่างแฟนผมนะนี่ยชอบอยู่มือไทยไม่สิทได้คุยกันแม่งแฟนอยู่ในเมืองเวียดนามนี่ถ้าอยู่เมืองนอกผมไม่เจอใครยังคุ m ประธานนักเรนไทยงก็ต้องเจอเขาอย่างนั้นง่าย่าอยู่แล้วเขาอยากให้เราไม่คิดนะคุณวางแผนเศรษยนยาวขนาดนั้นแล้วคุณกยืนคุณเรีนทางคุณแค่ใไหนสายวิสายศิลป์อะไรก็ช้อยนี่ก็มาอีกอเนวิย์เลศิลป์ เรียนวงทย์จะเป็นอย่างพ่อมันนี่ะเหนื่ อ, อยยิ้มหายเรื่องพอนเพือนพ่อแต่ละคนเลยจบด็อกเตอร์น่การหาอะไรใช่ไหมกนนินการมือยู่เอสโซ่เหนื่อ ย, หยิหายาย้ายงานแหลกรานด็อกเตอร์ใช่ไหมถูกขดายจนด็อกเตอร์คิดได้แค่นี้ส่วนอีกมือถูอว่าจบโทเรื่องมาเรียนที่ข้าอคนตะปูนึงนนนถูกว่าแต่อเรียนเป็นเองผมคิดเนี่ยเราอยู่ทีสา ม, มเราเจมขทงผมคิดถ้าของทำ ง, งานลงน้าตาลตอนแก่กูอะเป็นขี้ข่าตะปูนสายน้าตาลทั้งหมดเลยถูกไหม กูทำงานีตาเอยู้นเนี่ยกูก็้องยู่กตาเจนตายไม่สามารถย้ายได้ย้ายไปแม่รู้ประวัติกูหมดว่ากูอยู่โขทไหนทช่วอะไรไม่ได้เลยแต่ป่ะอาจารย์คิดหายเนี่ยถ้ากูเปลี่ยนใจว่ากูไม่เรียนรักเกเแเหนื่อยเรียนโทอ E ดีกว่าแล้วแม่ก็เข้าไม่ได้เสือมีคุณโรคอาการกูเรียนโรคอาการพอจโรคอาการกูไรีโเกแม่กับพ้าีเสือได้คุณนาตากูก็เห้นเส้นผลเท่านั้นรัจ้างเรียนตลอดเลยกูชอบวิชาในที่กูจบมาเนี่ย เนีเ่ยสูวิธีคิดเนี่ย choice choice แต่ในเวลัที่คุณรชุมกันเวลาคุณตัดสินใจอะไรกันนะคุณต้องเรียนวิชานี้ชื่อ choice หรือ decision making เข้าใจยังเข้าใจยังทุกวินาทีทุกเรื่องแน่ต้องใช้ decision making ดันั้คุณคุณต้องใช้วิชา matrix หรือวิชาที่ชื่อว่า quality function deployment การใช้โคตรบ่อยเลย ตอนผมก่อนจะกับอเมริกามานะผมคิดที่หมายเลยทุกคุณเวลาตอนเนี้นะพวกคุณมีอะไรใช้บ่อยชีวิตคุณแม่เต็มไปด้วยชอยนี่คือการ l e ีย n รยยู้คุณเรียนรูเรื่องชอยสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งคเรี ย, 2, 3, 4, รยนรู้ใจตนเองนะอันที่สอเรียนรู้เรื่องอะไรครับเรื่องการนะครับ วิชาทีา่ผมนธุ์ถกวิชาเรื่องอื่นค่อยว่ากันว่ากันวิชาดีเซชั่นเมคกิ้งอ่าดูนะดูนะว่าคุณตัดสินใจไงเพราะฉะนั้นผมมีทางเลือกอยู่หลายทางมากหนึ่งทำงานนาตาต่อโปรเจกต์ต่อไปซีริซีเรค่อนไนไตรคอมพลีซิตหรือไม่ก็ขุดแร่นะผมนะอยู่อเมริกาต่อ เงินเดือนสาม0 0ื่นกเอาว่าเหรียญเหรียญเอาว่าช้อยสองไม่อยู่โบลิ Cold, lean, ่งที่เสีเท่าเงินเดือนสี่0มื่นห้าหว่าช้อยสามไม่อยู่บีีก็บีพีไหมดิทิสกิโตเลยทะเลเหนือหกหมื่นห้าทำงานเกิดเดือนอีกหกเดือนถายว่าเอาไหมอีกช้อยหนึงคือกลับเมืองไทยมาอยู่ดาวเคมีคอล เบอโปูนเนี่ยเอาว่าได้ช้อยหนึ่งกลับเป็นอาจารย์ชุราเออน่าคิดนะแต่คุณจะเลือกไงพอคุณเลือกอย่างนึงไปนะกี่สักพักมีเพื่อนถึง ค, ค, คุณก็าคุยคุณคก็เปลี่ยนใจมเ็นออย่างคุณเคยเจอไมแล้วันคุณเป็ น, น, ป น, นนะคนอะไรไอ้นั่นทีอันนี้คือันนี้คือันนี้ทีนนทนนทสุดท้ายคุณก็ตัดใจไม่ได้ใช่ไนมะั้นไม่ใช่ผมนะ คนอตัดสินใจ once my m d make up นะถ้ากูตัดสินใจอะไรกูกู แ, แม่ง e นวันเชงเนี่ยเพราะกูได้ตัดสินใจดีแล้วไอกวตัดสินใจแล้วก็ต่ดินใจแมททิคใช้แอใช้ดใช้สใช้ดีแลวผมถามตัวเองว่าชีวิตกูแม่งนีอะไร อันแรกเลยผมตั้งตั้งเปอร์เซ็นต์เลเวิงผมตงการมาดูแลพ่อแม่พ่อแม่คือแก่แล้วอันนี้ให้50าสคะแนนถ้าอยู่นาตาต่อโนเวดูแลได้สิบเห็นยังไอยู่บออิ้งก็เซียเตอรใกล้หน่อย15งห้าได้ครับไปอยู่ทะเลเหนือ5้าแคบไม่ดู6เดือนห6เดือนไม่ได้ดูใช่แต่ถ้าเจะอยู่ไทยแลนด์ Thailand, ได้ไหมครับ 5, 5, 4, รแทนห้าสิบเห็นยัง ทำไมกอดเป็นมุมวะจะไม่แต่งงานอยู่เมืองไทยแม่งเรื่องนี้เจ๋งอยู่เมืองนอกฟันแหนบโคจ้าไง่ายนี่มึงคิดผมว่าอยู่เมืองไทยง่ายกว่าเยอะใช่ไหมหญิงไทยแรงง่ายกว่ารังเยอะเลยสามสิบอยู่งไทยเท่าไหร่สามสิบอยู่เมืองนอกสองสองอ ตัวแร้ลูกหมามันจะต้มยักษ์หรอ <c oughs> ถูกว่าพี่ลุงคงนะเนี่ยแต่เการามองนจาจังคนรงไปรงมานะใครที่เป็ามเขาก็ขอโทษว่าโมงพอพอแรกม่อัตติกระต่อมาเริ่มกินนะร้อยแป้งดูไหนแดกอะไรโอ้ไม่ต้องคิดเลยแม่ร้อยต่อมาเืน เด่สำคัญไหมสำคัญร้อยเช่นกันโอเคชาวบ้านเขนร้อยกันหมดขนาดนั้นใช่ไหมใช่หร <laughs> <c oughs> ืแเ่ล่าเนี่ยแต่มาโอกาสโอกาสเติบโตครอสโอกาสในการเ ต, ติบโตสแปดในการครอในการเติบโตและก้าเหน้ถูกอันนี้ก็สำคัญเกือบร้อยเหมือนกัน อยู่หน้าถ้าอาจารย์ไม่ชนะรางวัลที่หนึ่งของโลกมะ้านั้น แ, แม่ก็ไม่ฟังปูผมใช้เวลาสี่ีกับพิสูจน์ตัวเองได้แม่ฟังรว่างพูดอะไร แ, แม่ก็วัดนะหลังอแพทย์มูงพูดอะไรชื่อแพทย์นะแม่ก็ฟังฟืูแต่ระยะยาวเวลาแม่กดคนออกเอาใครออกก่อนครับไอ้ขาวไอ้ดำหรือหเหลืองู่โนกอดเลยเด็กไอ้เวรใช่ปเออเดต้านร็ดต้านร็ดต้า น, น, านทแล่นะ แน่นผมเองผมข้าเองเห็นเหตุการล์ว่าผมคิดกับตัวเองว่าผมอยู่อเมริกาสิบปีผมสามารถสร้างฐานะได้ในอเมริกาใช่ไหมครับคนอยู่อเมริการอบตัวได้ชาดชิ้หายคือยัสร้างตัวขึ้นมาได้เลยนะมีบ้านมีรถมีอะไรพร้อมใช่ไหมครับคุณยังสร้างขึ้นมาได้ถ้าคืออยู่เมืองไทยอ่ะคุณก็มุณไม่ง่ายกว่าเยอะเลยว่าอะไรบ้างแล้อยู่อเมริกาการแข่งขันแม่แรงขนาดนั้นคือแม่เหนือล้ําพวกแม่ได้เลยขนาดเป็นต่อทั้ไหนเรื่อง จิตจอยจิตจอยเนี่ยรลมกันแล้วว่าทำไมครับอยู่ไหนดีสุดครับถ้าอยู่ไทยแลนด์พไมาไทรแลนดม่ก็วิไไว่อีกอยู่ที่ไหน TPI ให้ผมมีเ น, นเจอร์เว้ยเอาว่าะ TPI อ, อ, อ, อ, อ่ะรากรอมากรอมากรอรูบมากรอเนี่ยอะดู TPI สัมภาษณ์ดาวๆก็ไม่เอาผมใช่ไหมอออบอกผมว่าคุณตาย นมึงก็ได้ครรนมึกันมกรนมแต่ว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไหนเพรวเลือกองเป็นที่วิศวะหรือีวิทยาจะกลับไปอยู่เคลมเทคเซรามิกลิเมอร์หรือจะอยูุ่อ่าอยูนะ่ออาเป็นวิศวะจุฬามนกันนะหนึ่วนะเไหการจ้างการเป็นอารวิศวะสองวิศวะจุฬาเท่านั้น ถ้าดอย่างนี้ไปครูก็กลับมึงนอกกันทำไรก็สุดท้ายก็เลยอยู่วิศวะอยู่อย่าง